ท่านตรัสไว้ยังงันบทที่สองว่าปฏิโรภเทสวาโซจะาปุเพจัจกตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปนิธิปฏิโระเทสวาโซจะาให้อยู่ในประเทศอันสมควรประเทศที่ที่ผู้ใดมาเกิดมาในประเทศที่เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นประเทศที่ธรรมชาติ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 ท่านแนะนำสั่งสอนให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกก็คือให้ปฏิบัติเพื่อชำระใจของพวกเราให้หมดจดจากกิเลสจากราคะโทสะโมหะอ ย, เะยงง่เราจะําจัดยางไงเราจะชาระอย่างไรนี่แหละในหลักธรรมคำสอนถ้าราพวกเราศึกษาเข้าไปแล้วอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไม่รู้กี่ครั้งถูกกี่คนให้พวกเรานั่งภาวนา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 ถ้าว่ามันยังเผลอไปอีกอยู่พุทโทรให้ทีขึ้นไม่ต้องกำหนดลมหายใจเนี่ให้สำทับอยู่กับตัวผู้รู้รูนะ้มันรู้มั น, มนไปไหนวะเอาตัวสำทับอยู่กับตัวนั่นเทอเนี่พุทโทพุทโธพุทโธพุทธโทกับตัวที่มันมันมันออกไปนะั่นอ่ะตัวที่มันรู้รู้นะั่นผมสำทับกัะจุดนั้นนี่แหละวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติในเมื่อเราทำจิตใจให้สงบเน่ง